สิกขาบทที่3ว่าด้วยการบริาพาทคณะเรื่องภิกษุณีจันทากาลี1033สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศ ธ, ธีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทากาลีชอบก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่อที่กรในสง เมื่อทรงทำกรรมแก่จันทกาลีนั้นภิกษุณีทุลนันธาก็คัดค้านต่อมาภิกษุณีทุลนันธาเดินทางไปยังหมู่บ้านด้วยธระบางอย่างภิกษุณีสงพอรู้ว่าภิกษุณีทุลนันธาจากไปแล้วจึงลงอุเขปณิยกรรมแก่ภิกษุณีจันทกาลีเพราะไม่เห็นอาบัติครั้นภิกษุณีทุลนันธาทำธุระนั้นในหมู่บ้านเสร็จแล้วกลับมายัางกรุงชวัตที เมื่อภิกษุณีทุลนันทาถกำลังมาภิกษุณีจันทกาลีไม่ป่วยสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาทและจีวรไม่เอาน้ำดื่มต้อนรับภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีจันทกาลีนั้นดังนี้ว่าเมื่อฉันกำลังมาฉันให้เธอไม่ป่วยสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ไม่ลุกรับบาตรและจีวรไม่เอาน้ําดื่มต้อนรับเล่าภิกษุณีจันท ก, กาลีตอบว่าแม่เจ้าคนไม่มีที่พึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละภิกษุณีทุลนันธาถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่มีที่พึ่งภิกษุณีจันทกะรีตอบว่าแม่เจ้าภิกษุณีเหล่านี้เข้าใจว่าดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครคอยกล่าวปกป้อง จึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติภิกษุณีทุลนันธาจึงครึ่งเครียดบริพาธคณะว่าภิกษุณีพวกนี้โง่เขลาภิกษุณีพวกนี้ไม่ฉลาดภิกษุณีพวกนี้ไม่รู้จักกรรมโทษของกรรมกรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิพระนามโพนทนาว่า